<Book> <66. S 1> บุ๊กทูหกสสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งบริสเวนี่ใจแมนนัดิีฉันของดีฉันยามี ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบยั่นต์ติมโมกุดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบ่โจูสไนต์ติมโมกุตคุณของคุณตีทคุณหากุญแจของคุณเจอไหม คุคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมเขาของเขาวิาววนโคุณทราบไหมว่ากุญแจอของเขาอยู่ที่ไหน Знаєш де Його ключ คุณทราบไหมว่าตัวรถของเขาอยู่ที่ไหนเธอของเธอเงินของเธอหาย ї ї ลาบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย і її кредитної картки також немає เราของเรา Мы наш คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Наш дідусь хворий คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี Наша бабуся здорова คุณหนูของหนูวิว่าชเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนจ іти ้ е ดว่าชตาโตเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนจ іти ้ е ดว่าชามามา